นำขาตั้งลงแล้วเดินออกจากรถไปปุกกับติ๊กก็ลงรถแล้วเดินตามน้าชายไปติดๆส่วนพี่ลูกปราที่ยังนั่งอยู่บนรถจู่ๆ ก, ก็ตกรถล้มลงนอนบนพื้นในขณะที่ปุกกับติ๊กกาลังจะเข้าไปช่วยเธอก็ลุกขึ้นไม่พูดอะไรแล้วเดินไปนั่งที่แคร่จากนั้นก็ล้มตัวลงนอนแล้วหลับไป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 ก็รู้สึกเวียนหัวและหนักเหมือนมีคนมาขี่คอความรู้สึกนี้ทำให้เธอนึกขึ้นได้ว่าช่วงที่พี่ลูกปลาเดินไม่ได้และก่อนที่พี่ลูกปลาจะป่วยหนักปุกกมักจะให้พี่ลูกปลาขี่หลังเวลาไปไหนมาไหนอยู่บ่อยๆเพราะพี่เดินไม่ค่อยได้ปุกจึงคิดว่าคงเป็นพี่ลูกปลามาลาเธอก่อนจะไปสู่สุคติก็เป็นได้ สมภัสยอง